บุคคลจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพยบูรณ์แห่งปัญญาด้วยปัญญาณนยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทั้งจะมีความปราโมดปีติปสัสธิสติสัมปชัญญะและอยู่เป็นสุขโปธะปาทะเราแสดงธรรมเพื่อละการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปว่าพวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะละสังกิสิทิธรรมได้และโวทานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น จะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพยบูรณ์แห่งปัญญาด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันละถึงทั้งจะมีความปราโมดปีติปสัสสิสติสัมปชัญญะและอยู่เป็นสุขโปธปปาทะหาคนเหล่าอื่นจะถามเราอย่างนี้ว่าผู้มีอายุอะไรคือการได้อัตภาพที่หยาบซึ่งท่านแสดงธรรมเพื่อให้ละเสียว่า พวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะละสังิเลสิกรรมได้และโวทานียธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพยบูรณ์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อถูกถามอย่างนี้เราจะตอบว่าผู้มีอายุนี้แลจัดเป็นการได้อัตภาพที่หยาบซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อเหละเสวา พวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะละสังกิเลสิกธรรมได้และโวทานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพบู์แห่งปัญญาด้วยปัญญาณย่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโปทปาทะหากคนเหล่าอื่นจะถามเราอย่างนี้ว่าผู้มีอายุอะไรคือการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจซึ่งท่านแสดงธรรมเพื่อให้ละเสว่า พวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะละสังขีเลสิกธรรมได้และโวทานียธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพบูรณ์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อถูกถามอย่างนี้เราจะตอบว่าผู้มีอายุนี้แหละจัดเป็นการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อให้ละเสวะละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน โปธปาทะหาคนเหล่าอื่นจะถามเราอย่างนี้ว่าผู้มีอายุอะไรคือการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปซึ่งท่านแสดงธรรมเพื่อให้ละเสียว่าพวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะละสังเลติสกธรรมได้และโวทานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพยบูรณ์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อถูกถามอย่างนี้เราจะตอบว่า ผู้มีอายุนี้แหลจัดเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อให้ละเสียว่าละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโปธปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยมิใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยแน่นอน เรียบด้วยคนสร้างบันไดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปธปาทะเปรียบเหมือนบุรุษทำบันไดเพื่อขึ้นประสาทที่ใต้ประสาทนั้นเองคนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอจะทําบันไดขึ้นประสาทเธอรู้จักประสาทนั้นหรือว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือมีขนาดสูงต่ําหรือปานกลางถ้าเขาตอบว่า นี้แลคือปราสาทที่เรากำลังทำบันไดเพื่อจะขึ้นไปที่ใต้ปราสาทนั่นเองโปธปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของบุรุษนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยมิใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของบุรุษนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเช่นเดียวกันโปธปาทะ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 จะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพยบูรณ์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อถูกถามอย่างนี้เราจะตอบว่าละถึงผู้มีอายุนี้แลจัดเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อให้ละเสียว่าพวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะละสังกิเลสิกธรรมได้และโวทา น, นิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น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 ในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปการได้อัตภาพที่หยาบและการได้อัตภาพที่สาเร็จด้วยใจก็เปล่าไปมีแต่การได้อัตภาพที่ไม่มีรูปเป็นเรื่องจริงกระนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตตะในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่หยาบก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่สาเร็จด้วยใจและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูป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 เมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์ก็จะตอบว่าในอดีตการเราได้มีแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีในอนาคตการเราจกมีไม่ใช่ว่าจไม่มีเวลานี้เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่เมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์ก็จะตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตร ถ, ถามว่าจิตตะถ้าคนจะถามท่านว่าท่านมีการได้อัตภาพที่เป็นอดีต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 เมื i i ni, ah ่อถูกถามอย่างนี Dum, battle, e. Muhammad, ้ข้าพระองค์ก็จะตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอย่างนั้นแลจิตตในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่หยาบก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปมีเพียงการได้อัตภาพที่หยาบเท่านั้นในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปก็ไม่นับว่า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 เหล่านี้แหลเป็นโลกสมัญญาชื่อที่ชาวโลกใช้เรียกเป็นโลกนิรุตติภาษาของชาวโลกเป็นโลกโวหารโวหารของชาวโลกเป็นโลกบัญญัติบัญญัติของชาวโลกซึ่งตถาคตก็ใช้อยู่แต่ไม่ยึดถือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้โปทปาทะปริภาชกเรียกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 จิตตะหัตถิสารีบุตรทูลขออุปสมบทฝ่ายจิตตะหัตถิสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลง า, ายของที่คว่าําเปิดของที่ปิด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 เมื่อท่านหัตถิสารีบุตรได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมุ่งมั่นพระนิพพานอยู่ไม่นานนักทำให้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทาเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระหัตถิสารีบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายโปธปาทสูตรที่เกจบ สุภสษูดว่าด้วยสุภมานพเรื่องมานพชื่อสุภะเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับคันทัปปรินิพานไปไม่นานท่านพระอานนท์พำนักอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิคะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุภมานพโตเท ย, ยบุตรมีกิจธุระพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นสุภมานพโตเทยบุตรเรียกมานพคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่แน่พ่อหนุ่มเธอจงเข้าไปหาพระสมณะชื่ออานน์แล้วเรียนถามพระสมณะชื่ออานน์ถึงสุขภาพความมีโรคาพาทน้อยกระปรีก้กระเป่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สําราญตามคําของเราว่าสุภมานพโตเทยบุตรถามท่านพระอานน์ถึงสุขภาพความมีโรคาพาทน้อย กระปี้กระเปพ่ามีพารณาไม่สมบูรณ์อยู่สําราญและเธอจงเรียนว่าขอท่านพระอา น, นุ์โปรดอนุเคราะห์สละเวลาเข้าไปเยี่ยมสุภมานพโตเทยบุตรบ้างมานพนั้นรับคําของสุภมานพโตเทยบุตรแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนุ์สนทนากันพอคุ้นเคยดีแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรแล้วกล่าวว่าสุภมานพโตเทยบุตร ถามท่านพระอานนุ์ถึงสุขภาพความมีโรคคาภาดน้อยกระปรี่กระเป่ามีพรรณมมยสมบูรณ์อยู่สำราญและสั่งมาว่าขอท่านพระอานนุ์โปรดอนุเคราะห์สละเวลาเข้าไปเยี่ยมสุภมานพโตโทยบุตรบ้างเมื่อมานพนั้นกล่าวอย่างนี้ท่านพระอา น, นุ์ตอบว่าเวลานี้ไม่เหมาะวันนี้อาตมาดื่มยาถ่ายเข้าไปแล้วเอาไว้พรุ่งนี้ เมื่อมีเวลาอาตมาจะเข้าไปเยี่ยมเขารับคําของท่านพระอานนท์แล้วรู้จักที่นั่งกลับไปหาสุพมานพโตเทยบุตรบอกว่าข้าพเจ้าได้บอกท่านพระอานนท์ตามคําของท่านว่าสุพมานพและถึงไปเยี่ยมสุพมานพโตเทยบุตรบ้างเมื่อข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ท่านพระอานนท์ตอบว่าวันนี้ไม่เหมาะเมื่อมีเวลาอาตมาจะเข้าไปเยี่ยม ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้ท่านพระอานุ์สละเวลามาฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยเหตุดังว่ามานี้ครั้นล่วงราตรีนั้นยามเช้าท่านพระอานุ์ครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรมีพระเจตกะเป็นปัจชาสมนะเข้าไปอย่างนี้เวกของสุพมานกโตเธยบุตรแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้สุพมานกโตเทยบุตรเข้าไปหาท่านพระอนุ์ สนทนากันพอคุ้นเคยดีแล้วนั่งลงนที่สมควรแล้วถามว่าท่านอานน์เป็นพระอุปถาคอยู่เฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทของท่านพระโคโด ม, มานานท่านอานน์คงจะทราบธรรมที่ท่านพระโคโดมตรสัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ท่านอานนทำเหล่าหนหน้อแลที่ท่านพระโคโดมตรสัสสรรเสริญ และทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ท่านพระอนุ์ตอบว่ามาโนบพระผู้มีพระภาคตรสัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ในขันสามแลขันสามอะไรบ้างคืออริยศีลขันอริยสมาธิขันและอริยปัญญาขันพระผู้มีพระภาคตรสัสสรรเสริญ และสงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ในขันสามนี้แหละ